สังสารวัฏรื้วาตับสังสารคือการเียนวการเกิดในกลพุทธเป็นการเวียนวการเกิดของสัตว์โลกของจิตใจหรือดวงวิญญาณที่ยังมีกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาครอบงำอยู่การเรียนว่ายตายเกิดในตายพบมีอยู่สามพบด้วยกันคือหนึ่งกามพบสองรูปะพบสามอารูปะพบกามพบก็คือที่เกิด ของดวงวิญญาณหรือของดวงจิตดวงใจที่ยังเสพกรามอยู่เคยยังเสเพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็จะไปเกิดในการมาพบดวงจิตหรือดวงวิญญาณที่เสเพรูปประชานก็จะไปเกิดในรูปประพบ ดวงจิตดวงวิญญาณที่เสพอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพนี่คือสามภพของดวงจิตดวงใจที่ยังมีกิเลสตัณหามีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธถรภหรือหาความสุขจากรูปประฌาน หรือหาความสุขจากอารู ป, ประชานก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ถ้าดวงจิตดวงใจสามารถชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดวงจิตดวงใจก็จะไปอยู่ที่นิพพาน นิพพานนี้ไม่ได้อยู่ในตายพบนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนิพพานเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วคือจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอาหารหันตาสาวก ก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่านอกของไตภพนอกของโลกของไตภพไตภพนี้มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่นิพานนี้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจ ของพวกเราทุกคนพวกเราตอนนี้มาเกิดในกามาพบกันการมาพบนี้มีแบ่งไว้สองซีด้วยกันการมาพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์กับซีของการมาพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขและ พบที่อยู่กรงกลางระหว่างซี่ของพบที่มีความสุขกับซี่ของพบที่มีความทุกข์คือพบของมนุษย์เรานี่เองพบของมนุษย์นี้จะอยู่ระหว่างกลางของพบของเทวดาที่มีความสุขไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยมีความสุขมาก และอบายคือพบของอเดลฌานของเปรตของอสุรกายของนรกที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนี่คือกามาพบซิกที่มีความสุขมากเราเรียกว่าสุขกติซิกที่มีความทุกข์มากกว่าสุขเรียกว่าทุกขกติ ซิกที่อยู่ตงกลางเราเรียกว่าภพของมนุษย์ตอนนี้พวกเรามาเป็นมนุษย์กันเพราะว่าเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดเป็นเทวดากับเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายนั้นมีกำลังเท่าๆกันไม่สามารถดึงเราไปให้ไปเป็นเทวดาได้ ไม่สามารถดึงเราให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นน ส, สุรกายไปตกนรกได้พอเหตุที่ทำให้เราไปสวรรค์หรือนรกมันมีกำลังเท่ากันเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรายังเสพกลามกันอยู่ถ้าเรายังเสพลืเสียงกลิ่นรสผดอ ภ, ภาเอืเราก็จะ ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในชาตินี้ทุกวันนี้เราไม่ได้หาอะไรเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันเราอยากดูอยากได้ยินได้ฟัง เสียงอยากได้ดมกลิ่นอยากได้ลิ้มรสอยากได้สัมผัสกับสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายของพวกเรา เ, ออเช่นความเย็นความร้อน อ, อความนุ่มความแข็งอะไรต่างๆเหล่า น, นี้นี่คือการหาความสุขของพวกเราพวกเรายังติดกามะคุณห้าอยู่ ติดรูปเสียงกิน่นรสผธทพจึงทาพาให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มีเหตุที่จะดึงให้เราไปเป็นเทวดาเหตุที่จะดึงให้เราไปเป็นเทวดาก็คือบุญที่เราทากันเหตุที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรต เป็นอสุรกายไปตกนรกก็คือบาปบาปได้แก่การฆ่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาและเสพอบายามุกต่างๆอันนี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายถ้าเหตุคือบาปนี้ มีกำลังมากกว่าบุญถ้าบุญนี้มีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ใจของเราไปเกิดเป็นเทวดาถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็จะให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญมาทำบาป มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจที่ยังเศษกามกันอยู่จะวนเวียนอยู่ในกามะพบอยู่ในซีของสุขกติบ้างอยู่ในซีของทุกขกติบ้างแล้วแต่ว่าทําอะไรไว้มากกว่า ทำบุญมากกว่าบาปก็จะไปเกิดในสุขคติทำบาปมากกว่าบุญก็จะไปเกิดในทุกขคติสำหรับผู้ที่ไม่มาเกิดในกามะพบก็คือผู้ที่เสบรูปปชาญกับอรูปปชาญรูปปชาญก็คือสมาธิระดับต่างๆนั่นเอง อรูปฌานก็สมาธิเหมือนกันสมาธินี้มีแบ่งไว้สองระดับระดับรูปฌานกับอรูปฌานคําว่าสมาธิแปลว่าความสงบของใจผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ความสงบของใจเข้าสู่สมาธิจําเป็นจะต้องละการเสพกามเลิกการเสพกาม ด้วยการถือศีลแปดอย่างพวกนักบวชทั้งหลายถือศีลแปดขึ้นไปตั้งแต่ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สบเจ็ศีลสามร้อยกว่าข้อนี่เป็นข้อห้ามในการเสพกามต่างๆนั่นเองผู้ที่อยากจะเข้าสู่รูปภพ ก็ต้องถือศีล8ศีล1ิศีล227ิศีลส0 0กว่าแล้วก็มาฝึกสติมาเจริญสติพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดคิดถ้าจิตหยุดคิดได้จิตก็เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเข้าสู่ขั้นของรูปฌานก่อน เพราะความสงบของรูปฌปานนี้สงบน้อยกว่าความสงบของอรูปฌปานก่อนจะเข้าสู่ความสงบของอรูปฌปานได้ต้องผ่านความสงบของอของรูปฌปานก่อนก็จะก็จะเข้าไปสู่ฌานขั้นต่างๆขั้นรูปฌปานก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันแล้วพอผ่าน ขั้นรูปประชานได้ก็สามารถเข้าสู่ขั้นอรูปประชานได้ต่อไปขั้นอรูปประชานก็มี อ, อยู่อีกสี่ขั้นด้วยกันใครได้ฌานเหล่านี้เวลาตายไปใจก็จะไปเกิดอยู่ในรูปประพบหรืออรูประพบแต่รูปรรออรประพบหรืออรูปประพบ หรือกามพบนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรักอยู่คำว่าไตารักก็คืออนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็มีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาไปเจริญเป็นรูปปภมหรือไปเป็นอรูปปภมก็จะเจริญได้อยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็จะเสื่อมลงมาเสื่อมจากฌานขั้นสูงลงมาสู่ฌานขั้นต่ำจากฌานขั้นต่ำก็จะลงมาสู่อสวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมารักษาศีลงแปดใหม่ มาหัดนั่งมาทำสมาธิใหม่เพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบของรูปปานและอรูปปัจานตามลำดับต่อไปพอตายไปจิตเหล่านี้ก็จะไปเกิดอยู่ในรูปปภพกับอารูปภพใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ได้สมาธิได้รูปปัจานและได้อรูปปัจาน ต่างกับผู้ที่เสบกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและทำบุญถ้าเสบกามและทำบุญก็จะได้เทวดาชั้นต่างๆถ้าเสบกามด้วยการทำบาป<ม>ก็จะได้อบายสี่ชั้นด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสูรกายและนรก ผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงทัานก็ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาไม่รู้กฎแห่งกรรมเขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปนั่นเองเดรัจฉานเขาอยู่กันแบบฆ่ากันเพื่อเอาตัวรอดชีวิตการดำรงชีวิตของเขาต้องทำบาป เขาต้องฆ่าถ้าไม่ฆ่าก็ต้องรักขโมยของมากินเช่นสุนัขแมวนี่ถ้าเราเผลอวางกับข้าวไว้ที่ตรงไหนเขาหิวเขาก็มาคว้าไปกินทันทีเขาไม่สนใจว่าจะมีใครเป็นเจ้าของหรือไม่เขาไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะว่าของนี้เป็นของคนนั้นของคนนี้เอาไปโดยพราการไม่ได้ จะเอาอะไรต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนสัตว์เดรัชานี้ไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์นี้จะได้รับการสั่งสอนตั้งแต่เกิดมาว่าของต่างๆนี้มีเจ้าของนะของอันนี้เป็นของคนนั้นของอันนี้เป็นของคนนี้อย่าไปเอาของของเขา ถ้าเอาของเขาแล้วจะได้รับโทษจะถูกลงโทษอันนี้ถ้าสอนแล้วเชื่อก็แสดงว่ามีสติปัญญารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแต่คนบางคนนี้สอนแล้วไม่เชื่อแล้วไม่จดจำสอนก็ฟังแบบแบบว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวา พอถึงเวลาอยากได้อะไรเห็นของของใครก็ความัถ่ถทันทีคนที่ทำบาปแบบนี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนี่เองทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่เชื่อว่ามีโทษตามมาตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมีนิสัยมีสันดานมีระดับสติปัญญา ในระดับของสัตว์เดรัจฉานคือไม่รู้ผิดถูกดีชั่วนั่นเองถึงแม้จะมีคนคอยสั่งคอยสอนเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ไม่เชื่อฟังเวลาเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไปขโมยของผู้อื่นมาอันนี้คือนิสัยของ ถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของมนุษย์นั้นคนนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์นี้จะต้องรู้จักผิดถูกดีชั่วต้องรู้จักการรักษาสี่ห้าถึงจะเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่รู้จัก ร, รักษาสี่ห้าถึงแม้ว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นสัตว์เดยละชานพอร่างกายตายไป ใจก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปนี่คือที่ไปของอบายมีอยู่สี่มีอยู่สี่ที่เพราะเหตุที่พาให้ไปมีอยู่สี่เหตุคือความรักชังกลัวหลงนั่นเองถ้าทำด้วยความหลงทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความรักความโลภ รักอะไรก็โลภอยากได้สิ่งนั้นถึงแม้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีแต่เห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบอยากจะได้ต่างกับเดรัชานเ ด, เดรัชานอยากได้เพราะความหิวเพราะว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องต้องรักษาชีวิตของตนไว้ก็เลยทำบาปทำบาปเพราะเพื่อรักษาชีวิต แต่ไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ว่ามีโทษตามมาก็เป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทําบาปเพราะว่าความโลภอยากได้มากๆเห็นอะไรรักเห็นอะไรชอบก็อยากได้เอามาเป็นสมบัติของตนนี่ก็เป็นฤทิ์สัยหรือเป็นจิตของสัตว์ที่เรียกว่าเปรตเนี่ยพวกนี้เวลาร่างกายตายไป ดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นเปรตแปเปรตก็จะอยู่แบบหิวโหยเพราะว่าได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอเพราะว่าการทำอะไรตามความอยากนี้การได้อะไรตามความอยากไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปหรือน้อยลงไปแต่กลับทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นเวลาที่เป็นดวงวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะไปหาอะไรต่างๆได้เหมือนในขณะที่เป็นมนุษย์ดวงวิญญาณนั้นก็เลยมีแต่ความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความโลภด้วยความรักนี้ก็จะกลายเป็นเปรตไปส่วนผู้ที่ขณะที่เป็นมนุษย์ทําบาปด้วยความกลัว กลัวอะไรต่างๆนานาจะมาทำร้ายตนก็เลยไปทำร้ายสิ่งที่จะมาทำร้ายตนก่อนกลัวมดก็ไปฆ่ามดกลัวมแมลงก็ฆ่ า, มาแมลงกลัวงูก็ฆ่างูกลัวสัตว์อะไรต่างๆพอเห็นก็ต้องฆ่าเขาทันทีดวงนี้ตายไปก็จะไปเป็นอสูรละกายคือดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความกลัว จะอยู่กับความหวาดกลัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีความสุขและพวกที่ทำบาปด้วยความเกลียดด้วยความโกรธหรืออาฆาตพยาบาทเนี่ยพวกนี้ก็จะไปนรกเป็นนรกคือเป็นใจที่ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทจงเกลียดจงชังพยายามที่จะ ฆ่าผู้นั้นผู้นี้เพราะเกลียดเพราะชังเพราะอาฆาตเพราะพยาบาท น, นี่คือดวงวิญญาณของผู้ที่เสกกรรมด้วยการทําบาปด้วยวิธีการต่างๆตายไปก็จะไปเกิดในอบายหลังแต่หลังจากที่ไปอยู่อบายจนบาปที่ได้ทําไว้หมดกําลังลงคก็จะกลับมา เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปแต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะต่างจากผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จากสวรรค์จากการเป็นเทวดาจะเป็นคนละซีกกันโลกเราจึงมีมนุษย์อยู่สองซีกด้วยกันมนุษย์ที่ดีกับมนุษย์ที่ไม่ดีมนุษย์ที่ชอบทำบาป พ, พวกนี้มาจากอบายมาจากนรก มาจากเปรดมาจากเดลฉานมาจากอัสุลกายมนุษย์ที่เป็นคนดีเป็นพวกที่มาจากเทวดาพวกเทวดาก็คือพวกที่ชอบทำบุญนั่นเองชอบทำบุญชนิดต่างๆชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ชอบช่วยเหลือสัตว์ชอบช่วยเหลือมนุษย์ชอบช่วยเหลือวัดชอบช่วยเหลือโรงพยาบาลชอบช่วยเหลือโรงเรียนชอบช่วยชอบ ทำให้คนอื่นมีความสุขเรียกว่าบุญพวกนี้ถือว่าเป็นเทวดาขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นเทวดาเดินดินมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีจิตใจเป็นเทวดาพอเวลาร่างกายของมนุษย์ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วพอบุญที่ส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดาหมดกำลังลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนดีนั่นเองโลกเราจึงโลกของมนุษย์เราจึงมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะว่ามีดวงจิตดวงใจที่ชอบทำดีกับมีดวงจิตดวงใจที่ชอบทำบาสนั่นเองพวกที่ชอบทำบาปเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะกลับมาทำบาปใหม่ถ้าชอบขโมยก็จะขโมยถ้าชอบฆ่าก็จะฆ่าถ้าชอบประพฤติผิดประเวณีก็จะมาประพฤติผิดประเวณีถ้าชอบเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันก็จะมาทำตามเดิมอยู่แต่การกระทำเหล่านี้สามารถ หยุดได้เลิกได้หรือเปลี่ยนได้ถ้ามาเกิดในครอบครัวที่เขาไม่สอนให้ทำเช่นถ้าไปเกิดในครอบครัวของคนดีถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นคนไม่ดีชอบขโมยแต่พอมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่เขาไม่ขโมยเขาก็จะคอยสอนคอยห้ามแล้วถ้าทำผิดเขาก็จะลงโทษ ถ้าเกลีดลาบาปถ้ากลัวถ้าเห็นว่าทำบาปแล้วไม่ดีก็อาจจะเลิกทำบาปได้เปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนจากนิสัยที่ชอบทำบาปมาไม่ทำบาปได้แต่พวกที่มีนิสัยที่เป็นสันดานนี้จะเปลี่ยนยากถึงแม้ว่าจะมีคนสอนคนสั่งถึงแม้ว่าจะถูกจับไปลงโทษถูกจับไปดัดสันดาน คือจับไปติดคุกคุกนี้ก็คือที่ดัดสันดานที่เปลี่ยนนิสัยคนคนที่ทำบาปทำผิดกฎหมายจะถูกจับไปลงโทษไปขังอยู่ในคุกในตารางและขณะที่อยู่ในคุกในตารางก็จะมีการอบรมสั่งสอนให้เห็นโทษของการทำบาปต่างๆถ้าถ้าเชื่อฟังรัะ ปรับตนเองปรับตัวเองให้เป็นคนดีประพฤติดีเขาก็จะปล่อยออกมาเร็วกว่ากําหนดมีเครื่องรอดนอดใจถ้าติดคุกแล้วประพฤตินตนเป็นคนดีในคุกทําประโยชน์ให้กับคุกนี่เขาเห็นว่าได้ปรับนิสัยเป็นคนดีเขาก็อาจจะปล่อยให้ออกมาจากคุกเร็วกว่ากําหนดไว้ก็ได้แล้วถ้าออกมาจากคุกแล้ว เอาเอานิสัยใหม่นี้มาใช้ต่อไปก็จะกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่ถ้าทำเพราะอยากจะออกจากคุกพอออกมาจากคุกก็กลับไปทำแบบเดิมอีกเดี๋ยวก็ต้องถูกจับใบติดคุกอีกฉะนั้นนิสัยหรือสันดานนี่สำหรับบางคนนี้อาจจะแก้ยากบางคนก็แก้ง่ายขึ้นอยู่กับว่า เห็นโทษของการกระทำบาปการกระทำไม่ดีของตนหรือไม่ว่านำมาแต่ความเสื่อมเสียนามาแต่ความทุกข์ถ้าเห็นโทษคือมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการกระทำบาปนี้ไม่ดีเลยทำแล้วเดี๋ยวต้องไปติดคุกติดตารางอยู่เรื่อยๆต้องถูกไปลงโทษด้วยวิธีการต่างๆและตายไปถ้าเชื่อศาสนา เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้ามีความเชื่อมีความเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่ดีเลยก็อาจจะเลิกทำบาปได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครทำบาปแล้วจะต้องทำบาปไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ถ้ามีคนสอนมีคนบอก หรือมีเหตุการณ์อะไรที่มาทำให้เราเห็นโทษของการทำบาปเราก็อาจจะเปลี่ยนจากการทำบาปไม่ไดาม่ทำบาปต่อไปได้เช่นเดียวกับการทำบุญการทำบุญนี่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปทำบาปได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกบีบคั้นเช่นไปอยู่ในฐานะยากจนไม่พอกินไม่พ อ, พอใช้ หรือจำเป็นที่จะต้องอหาอาหารหาอยู่หายามาดูแลตนเองและครอบครัวแล้วมีไม่พอใช้ก็อาจจะถูกบีบบังคับให้ไปทำบาปก็ได้เพื่อที่จะได้อยู่รอดก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตใจหรือนิสัยของคนนั้นจะหนักไปในทางบุญมากเท่าไหร่ ถ้าหนักไปในทางบุญมากถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์มาบังคับมาบีบคั้นให้ไปทำบาปก็อาจจะไม่ไปทำบาปก็ได้เพรา ะ, ะรู้โทษของการทำบาปไม่อยากจะไปรับโทษของการทำบาปยอมรับโทษในขณะที่อยู่กับความยากจนไปดีกว่าเพราะเห็นว่ายังไงชีวิตไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย แต่ขออยู่โดยไม่ทำบาปดีกว่าดีกว่าอยู่แบบทำบาปเพราะว่าถ้าหลังจากที่ตายไปแล้วนี่ถ้าทำบาปก็จะต้องไปรับผลบาปต่อไปนั่นเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนนิสัยจากบุญมาทำบาปได้แต่ถ้าเป็นพวกที่เห็นว่าตอนนี้เราลำบากยากจนแร้นแค้น ถ้าเราไม่ไปทําบาปเราจะอยู่ไม่สบายไม่มีความสุขก็เลยต้องไปทําบาปถ้าไปทําบาปก็แสดงว่าก็จะเปลี่ยนจากนิสัยจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบาปต่อไปได้นี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตใจของพวกเราแต่ละคนนี้ยังคลิกไปคลิกมาได้อยู่ ยังเพิกจากนิสัยบุญไปสู่นิสัยบาปได้อยู่ยังสามารถเพิกจากนิสัยบาปไปสู่นิสัยบุญได้อยู่จะไม่เพิกก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเท่านั้นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนี้ก็ต้องเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนี้จะไม่รูปคำกฎแห่งกรรม คือไม่รูปคำศีลนั่นเองศีลก็คือการกระทำการไม่กระทำบาปการไม่กระทำบาปก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำบาปก็ต้องได้รับผลบาปไม่ทำบาปก็จะไม่รับผลบาปพระอริยบุคคลทุกระดับนี้จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะเห็นกฎแห่งกรรมเห็นชัดเจนว่าทําบาปแล้วจะต้องไปอบายอย่างแน่นอน ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานต้องไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่มีวันที่จะไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าผู้ตุชนอย่างพวกเรานี้ยังไม่มีความมั่นใจยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมยังไม่เชื่อสนิทยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตยังไม่มั่นใจว่าตายไปแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่ สัตว์เดรัจฉานนี้เกิดเพราะจะเกิดเพราะการทำบาปหรือไม่เห็นมีสัตว์เดรัจฉานแต่ไม่รู้ว่าเขามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรก็อาจจะคิดว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มาจากพ่อแม่ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ความจริงไม่ใช่หรอกมาจากดวงใจดวงจิตที่ไปทำบาปถึงไปเกิดถึงไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าดวงจิตดวงใจไม่ทำบาปนี้จะไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอนนี่คือพบของการมาพบและรูปะพบและอรูปะพบเป็นพบที่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่พวกเรานี้ส่วนใหญ่จะเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบกันเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างถ้าทำบุญ หรือถ้าทำบาปก็ไปเป็นเดราฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนะถ้าเราเป็นพวกที่ชอบบวชชอบถือศีลแปชอบรักชอบไปอยู่วัดชอบไปหัดนั่งสมาธิเราก็จะเลิกเสพกามเราจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพะจะไม่ดูหนังฟังเพลงจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ที่มีรสอร่อยอร่อยจะกินก็กินแบบกินยากินเพื่ออยู่จะหาความสุขจากการฝึกสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะไปสู่รูปภพถ้าเราทำใจสงบเหนือระดับของรูปภพเราก็จะไปสู่ระดับของอรูปภพไปสู่ภพที่มีความสุขที่สุดในไตภพ ในใต้ภพนี้ความสุขที่มากที่สุดก็คือในภพของอรูปภพรองลงมาก็ภพของรูปภพรองลงมาก็ภพของกามภพคือภพของเทวดาพอต่ากว่าเทวดาลงมานี้จะเริ่มมีความทุกข์ผสมกับความสุขแล้วอย่างของภพของมนุษย์นี้จะมีความสุขกับความทุกข์ห้าสิบห้าสิบ มนุษย์เราจึงอยู่กันแบบสามวันดีสี่วันไข้สามวันสุขสี่วันทุกขสลับกันไปสลับกันมาถ้าลงไปต่ำกว่านั้นก็จะมีทุกขมากกว่าสุขเช่นพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาจะมีความทุกขมากกว่ามีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าแต่ละวันนี้ก็จะหากินที่ไหนนั่นเองมนุษย์เรานี้ยังมั่นใจว่าพรุ่งนี้ยังมีข้าวกินอยู่ยังรู้จักวิธีหากินมีที่กินอยู่ แต่สัตว์เดรัจฉานนี้บางทีเขาไม่รู้ว่าพวกนี้เขาจะมีอะไรกินหรือไม่ความทุกข์เขาจึงมากกว่าภัยรอบตัวเขาก็มากกว่าเพราะเขาไม่มีที่ปลอดภัยเหมือนที่มนุษย์อยู่กันนั่นเองมนุษย์มีบ้านมีช่องมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภั ย, ภยทับต่างๆแต่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีบ้านเวลาเขานอนนี่บางทีเขาไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาจะถูกกัดกินเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานก็จะมากกว่าของมนุษย์แล้วความทุกข์ของเปรตของอสุรกายของนรกก็ยิ่งมากกว่าของสัตว์เดรัจฉานเพราะจะมีอยู่ตลอดเวลานั่นเองทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความกลัวทุกข์เพราะความโกรธมันจะมีต่อเนื่องเหมือนไฟที่ลุกอยู่ตลอดเวลา น, นี่คือความทุกข์ต่างๆ และความสุขต่างๆของตายภพถึงแม้ว่าจะเกิดในภพที่มีแต่ความสุขก็ยังต้องเจอความทุกข์ทุกตอนที่มันเสื่อมนั่นเองทุกตอนที่ต้องตกจากสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นสูงลงมาสู่สวรรค์ชั้นต่ำเหมืนก็จะรู้สึกตัวอย่างเราเคยมีเงินสิบล้านแล้วเหลืออยู่ห้าล้านนี่ก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเคย เคยมีเงินใช้ในระดับสิบล้านแต่วันดีเกินดีเงินหายไปหมดไปเหลือห้าล้านทีนี้จะใช้เงินแบบสมัยที่มีสิบล้านก็ใช้ไม่ได้แล้วความสุขที่ได้จากเงินสิบล้านก็หายไปเหลือแต่ความสุขที่จะได้จากเงินห้าล้านถึงแม้ว่าจะมีความสุขมีเงินเป็นล้านก็ยังมีความทุกข์ได้อยู่ ฉันใด้ถึงแม้ว่าจะมีความสุขระดับอรูปฌปานก็ยังเสื่อมได้พอเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอต้องเสื่อมจากสวรรค์ชั้นอรูปฌปานมาสู่สวรรค์ชั้นรูปฌปานก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่ได้สัมผัสกับความทุกข์เหล่านี้ก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายก็อาจจะคิดขวนขวายคิดค้นคว้าหาวิธีว่าทำยังไงถึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ผู้ที่สามารถค้นหาสาเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าคืออะไรและสามารถกำจัดเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้นั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้า นานจะมีคนฉลาดอย่างนี้สักคนหนึ่งที่เบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบและมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไปค้นคว้าศึกษาหาวิธีหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ดวงจิตดวงใจของตนต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพแลวพอทรงค้นพบว่า กิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหาที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบเพราะความอยากเสพกามต้องมาเกิดในกามมาพบแต่กามมาพบมันก็เป็นพบที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมาตายเช่นเดียวกับรูประพบกับอรูประพบก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อไปเกิดในสวรรค์นรูปภพแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเมื่อไปเกิดในสวรรค์อรูปภพเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาก็ทรงเห็นว่าไตภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภพที่มีความทุกข์ทุ ก, ทกไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแต่จะต้องมีความทุกข์เสมอทุกเพวมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เป็นสวรรค์ที่ถาวร มันเป็นสวรรค์ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปดังนั้นท่านเลยพิจารณาเห็นว่าการที่จะไม่กลับมาเกิดในตายพบก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นพบที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขได้อย่างถาวรมันจะต้องมีวันเสริมมีวันหมดไปผู้ที่ค้นพบความจริงอันนี้ ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเห็นว่าตายภพเป็นทุกข์ก็เลยเลิกหาความสุขจากตายภพเลิกเสพกามเลิกเสพรูปปัจจานเลิกเสพเลิกเสพอรูปป ร, mm hmm. รานพอเลิกเสพความสุขจากตายภพได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปก็จะไปอยู่อีกซีกหนึ่งของตายภพเรียกว่นานิพพาน นิพพานนี้เป็นซีกที่ไม่ต้องเสพอะไรไม่ต้องเสพกามไม่ต้องเสพรูปประชานไม่ต้องเสพอรูปประชานดังนั้นถ้าใครไม่อยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ต้องไปหยุดความอยากเสพกามให้ได้หยุดเสพรูปประชานให้ได้หยุดเสพอรูปปัจจานให้ได้คือต้องไปละกามตันหาภาวะตันหา และวิภาวะตันหานั่นเองอการมาตันหาก็คือความอยากเสพกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตันหาความอยากจะเสพรูปประชานั่นเองเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็คือการอยากจะเสพบรูปประชานี้นเองอนี่คือตันหาทั้งสามความอยากทั้งสาม ที่ดึงให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในไตายพบกันอยู่ถ้าเราอยากจะออกจากตายพบนี้เราก็ต้องทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทมและทรงนามาสอนพวกเราพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจึงทำให้พระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องกลับมาเสพกามอีกต่อไป ถ้าเราอยากจะหยุดการเสพการหยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบหยุดกามาตัญหาหยุดภาวะตัญหาหยุดวิภาวะตัญหาเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือปฏิบัติทานศีล ส, สมาธิและปัญญานั่นเองขั้นที่หนึ่งเราต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะ เราใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือเสพกามนั่นเองเรามีเงินเราจะได้ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจะบูกนิ่นกายกันถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ดะงนั้นถ้าไม่อยากให้เราไปเสพกามเราต้องอย่ามีเงินต้องไปอยู่แบบนักบวช ด, ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นลูกของกษัตริย์ มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสามารถซื้อความสุขต่างๆได้ซื้อความสุขทางกา ร, รได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไดแ้แต่พอมารู้ว่าการเสพกา ร, รนี้จะพาให้ต้องกลับมาเกิดในกา ร, ร ม, มาพบอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยบอกต้องเลิกเสพกา ร, รต้องเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกรื่นกา ย, ก, ายก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ออกบท นี่คือการทำทานที่แท้จริงเป้าหมายของการทำทานก็คือยุติการเสพการด้วยการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือพอไม่มีเงินทองก็จะเสพการไม่ได้จะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินเที่ยวจะไปซื้อของที่เราชอบก็ซื้อไม่ได้จะไปกินไปดูไปฟังอะไรที่เราชอบก็ทำไม่ได้ก็เท่ากับการหยุดเสพการโดยปริยายก็จะหยุดได้บางส่วนแต่ยังหยุด ได้ไม่หมดนีเพราะมันยังมีความอยากที่จะเสพการแบบไม่ต้องใช้เงินทองได้อยู่ก็ต้องไปถือศีลแปดเช่นการเสพเสพการกับร่วมการร่วมหลับนอนกับแฟนนี่ก็ถือว่าเป็นการเสพการเหมือนกันไม่มีเงินก็ยังเสพได้คนขอทานเขาก็ยังมีแฟนได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ก็ต้องหยุดการเสพการและหยุดการรับประทานอาหารเพื่อความสุข รับประทานอาหารเพื่อรักษาร่างกายเพื่อดับความหิวแต่ไม่ให้รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสุขใจถ้ารับประทานอาหารเพื่อให้มันเกิดความสุขใจก็เรียกว่าเป็นการเสพกามเหมือนกันเสพรูปเสียงกิ่นรสผลพทพะของอาหารวิธีที่จะกาจัดการเสพกามจากการรับประทานอาหารก็คือให้เอาอาหารที่เราจะกินที่จะรวมกันไปที่จะไปรวมกันในท้องต่อไปนี้ ให้เอามารวมกันในชามไว้ก่อนเนื้อในบาตแล้วมาคุกกันให้เป็นเหมือนอาหารสุนัขเนี่ยพอมันเป็นเหมือนอาหารสุนัขแล้วมันจะกินไม่ลงนะมันจะไม่อยากกินแต่มันต้องกินแบบกินยาเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่กินอาหารเดี๋ยวร่างกายก็จะหิวจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยต้องกินแบบจําใจกินเหมือนกับตอนที่เรากินยา ตอนกินยานี้เราก็จำใจกินเราไม่ได้กินเพราะเราอยากจะกินกันแต่เรารู้ว่าเราต้องกินเพราะถ้าเราไม่กินยาเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บจะไม่หายฉันใดโรคภัยไข้เจ็บคือความหิวของร่างกายก็ต้องได้รับการเยียวยาด้วยการกินยาคืออาหารฉะนั้นการกินอาหารแบบกินยานี้เราอย่าไปทำให้อาหารมันน่ากินเข้าใจไหมอย่าไปตบไปแต่งให้มันสวยงามจัดให้มันดูสวยงาม อันนี้มันอยากกินแบบน้ำลายไหลกินแบบความอยากต้องกินแบบไม่อยากกินวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากกินก็เอาอาหารสวยๆงามๆที่เขาจัดเขาแต่งนี้มารวมกันมาคุกกันมีแกงอะไรก็ใส่เข้าไปมีขนมหวานอะไรก็ใส่เข้าไปมีขนมเค้กมีอะไรก็ใส่มันเข้าไปที่เขาตกแต่งให้มันสวยๆงามๆนี่คุกมันเข้าไปให้เหมือนกับที่เราคุกให้อาหารหมาเน่ย ทำไมหมามันกินได้ทำไมเราจะกินไม่ได้ <c oughs> มันก็เป็นอาหารเหมือนกันนึกถึงเวลาที่มันไปรวมในท้องแล้วมันน่ากินไหม <c oughs> อาหารที่มันน่ากินอยู่ในจานนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดี <c oughs> ให้เรานึกถึงอาหารที่อยู่ในท้อง <c oughs> แล้วมันก็จะทําให้เราอ่ากินได้กินอาหารเพื่ออยู่ได้กินเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้หิวโหวยได้อันนี้คือ วิธีที่เราจะต้องใช้ในการกําจัดกามต่างๆพอเราทําทานได้แล้วพอเราไปบวชได้แล้วท่านต่อไปเราก็ต้องยุติการเส็บกามเอไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเสียเงินก็ยังมีรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้เราเสกได้เช่นออกไปเดินเที่ยวตามที่ต่างๆนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไปดูสถานที่นั้นดูสถานที่นี้อันนี้ก็เป็นการเสพกามเหมือนกันต้องไปอยู่ในป่าในเขาไม่ให้ไปดูรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินทางใจเพราะจะถือว่าเป็นการเสพกามจะทำให้ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบต่อไปอ น, นี่คือวิธีการของผู้ที่จะออกจากกามมาพบต้องยุติการเสพกาม พอเรายุติการเสพกรรมเราก็ต้องไปเสพรูปปัจานก่อนเพราะว่าใจอยู่เฉยๆไม่มีความสุขจะอยู่ไม่ได้ถ้าหิวโหยกับรูปปัจฉกับกรรมกามมาสุขถ้าไม่มีอะไรมาทดแทนก็จะทนอยู่ไม่ได้พอเป็นนักบวชก็เลยต้องมาฝึกสมาธิกันมาหัดเข้าฌานกันเข้ารูปปัจานเข้าอรูปปัจานกัน แต่การเข้ารูปประชาญกับการเข้าอารูปประชาญมันก็ให้ความสุขแต่มันก็ไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมมันก็ทำให้เราทุกข์ได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับการเสื่อมของรูปประชาญของอรูปประชาญก็คือเราต้องเห็นว่ามันเป็นตายรักนั่นเองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราไม่ควรที่จะไปเสพมันเราควรที่จะตัดความอยาก เสพมันได้ถ้าเสพแบบไม่อยากเคยยินดีตามมีตามเกิดถ้ามันจะสงบก็ให้มันสงบถ้ามันจะไม่สงบก็ปล่อยให้มันไม่สงบแต่อย่าไปอยากให้มันสงบตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไตรักรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตะพอเราได้เสพรูปปัจจานอรูปปัจจานแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเลิกยึดติดกับการเสพนั้น เสพได้แต่ต้องเสพตามธรรมชาติตามมีตามเกิดแต่อย่าไปเสพตามความอยากเพราะถ้าเสพตามความอยากมันก็จะทำให้เรามาติดในรูปประพบกับอรูปประพบนั่นเองถ้าอยากจะเสพรูปประชานมันก็จะทําให้เรามาติดรูปประพบถ้าอยากจะเสพอรูปประชานมันก็จะทําให้เราต้องมาติดกับอรูปประพบนั่นเองพอเราได้รูปประชานได้อรูปประชานแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องตัดความอยากเสพเราตอนต้นเราเสพเพราะว่าเราไม่มีความสุขจากการไม่ได้เสพการมาอ่ะกามาสุขเมื่อเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลเถรภาเราก็ต้องมีอะไรมาทดแทนสิ่งที่จะมาทดแทนให้กับเราก็คือความสุขของรูปปัจจานกับของอรูปปัจจานแต่พอเราได้ความสุขจากรูปปัจจานกับอรูปปัจจานแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องอย่าไปติดมันให้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ที่ไม่ที่ไม่มีเราทุกก็เพราะความอยากนี้เองเวลาอยากอะไรแล้วไม่ได้มันจะทําให้เราทุกข์ดังนั้นพอเวลาที่เราไม่มีรูปปัจจานหรืออารูปปัจจานให้เราเสพแล้วเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากจะเสพรูปปัจจานหรืออารูปปัจจานนั่นเอง เราก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากเส่รูปประจานหรืออยากไปเส่อารูปประจานเพราะรูปประจานหรืออารูปประจานนี้มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับเจริญแล้วก็เสื่อมปล่อยให้มันเจริญให้มันเสื่อมไปตามธรรมชาติของมัน mm. ก็แล้วกันอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมเพราะมันถ้าอยากให้มันไม่เสื่อมแล้วจะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์แล้วก็จะไม่ติดจะไม่ติดกับรู ป, ปรชานจะไม่ติดกับรู ป, ปรชานก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปประพบอรู ป, ประพบต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตก็จะไปอยู่ที่นิพพานจิตที่ไม่มีความอยากนี่แหละที่สิ้นความอยากทุกประการสิ้นกามตัณหาความอยากเสพกามการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ขึ้นความอยากเสบรูปประชานภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความอยากเสบารูปประชาญก็ต้องตัดไปให้หมดพอตัดให้หมดแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตก็จะไปอยู่ในภาคของของนิพพานทันทีจะแยกตัวออกจากการไปอยู่ในตายภพทันทีนี่คือ เรื่องขอบวนการของจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้กันทุกคนและจะต้องปฏิบัติต้องําเนินแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนินถ้าอยากจะแยกจิตของพวกเราออกจากใต้ภพไปอยู่ในนิพพานต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้ามีเงินถ้ายังใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต้องสละไปให้หมด ถ้าต้องใช้เงินก็ให้ใช้เงินกับการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นอันนี้จาเป็นต้องมีร่างกายยังต้องอยู่ต้องปฏิบัติธรรมต่อไปอก็ยังต้องใช้เงินทองถ้าไม่ไปบวชถ้าไปบวชก็ไม่ต้องมีเงินทองถ้าเป็นพระเป็นชีถ้าเป็นชีที่อยู่ตามสำนักที่เขาเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ไม่ต้องมีเงินทองก็ไม่ต้องมีเงินทอง เพราะเงินทองนี้มันจะเป็นเครื่องมือของกามาตฐานานั่นเองก็ต้องกาจัดเงินทองให้หมดไปสำหรับนักบวชนักบวชไม่ควรจะมีเงินทองเพราะถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะถูกกามตัญหามาแย่งเอาเงินไปใช้แล้วถ้าใช้เงินตามกามตัญหาก็จะต้องกลับมาเกิดในกามมาภพต่อไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในกามภพต้องหยุดการใช้เงินตามความอยากต่าง แล้วพอเลิกใช้เงินได้ไปบวชได้ก็ต้องนั่งก็จะไม่หาความสุขจากการเสพกามด้วยวิธีอื่นการเสพกามนี้มีหลายวิธีไม่มีเงินทองก็ยังเสพกามได้เช่นร่วมหลับนอนกับแฟนนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินทองก็ต้องเลิกกินอาหารเพื่อให้เกิดความสุขใจก็ต้องเลิกให้กินแบบไม่สุขใจกินแบบฝืนใจกิน วิธีที่จะฝืนใจกินก็ต้องคลุกอาหารให้มันรวมกันเป็ น, เ ป, นเป็นอาหารอาหารอาหารสุนักอย่างนี้ถ้าเป็นอาหารสุนักแล้วมันจะกินไม่ลงแต่มันมันจะไม่อยากกินแต่มันก็กินได้แต่มันไม่ได้กินด้วยความสุขไม่ได้กินแบบน้ำลายไหลถ้าเรากินแบบกิเลสกินแบบความอยากนี่พอเห็นอาหารน้ำลายจะไหลออกมาทันที พออาหารเขาจัดประดิบประดอยไว้ให้ดูสวยงามให้น่ากินนั่นเองเราต้องทำลายความสวยงามความน่ากินของรับประทานอาหารถ้าเราอยากจะกินเพื่อกำจัดกามตันหาพอเรากำจัดกามตันหาต่างๆหมดไปได้เราก็จะเข้าสู่รูปฌานได้เข้าสู่อรูปฌานได้แต่พอเราเข้าสู่รูปฌานเข้าสู่อรูปฌานเราก็จะไปติดมันอีก เราก็จะไปมีภาวะตัณหากับรูปประจานเราจะไปมีวิภาวะตัณหากับาราลุประจานอีกเราก็ต้องมาหยุดภาวะตัณหาก็ <commencer> อย่าไปอยากได้รูปประจานถ้ามันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปถ้ามันจ ะ, จะเจริญก็ปล่อยมันจเจริญไปอย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมอยาอย่าไปอยากให้มันจเจริญอย่างเดียวเพราะฌานมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมธรรมดาเราก็จะละภาวะตัณหาได้ความอยากได้รูปฌานความอยากให้รูปฌานอยู่กับเราอย่างตลอดเวลาเพราะมันไม่เป็นเป็นความจริงความจริงรูปฌปานหรืออรูปฌานมันก็เจริญแล้วมันก็ต้องเสือ่อมเวลามันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปถ้าอยากให้มันเจริญใหม่ก็เจริญใหม่ถ้าไม่อยาก อย่าแต่อย่าไปอยากดีกว่าถ้าอยากแล้วมันก็จะทําให้ทุกเวลามันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตจิตที่ไม่เสพการมันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงในระหว่างรูปฌานกับรูปฌานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบสลับกันไปสลับกันมาต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องหยุดกะภาวะตัณหาและวิภวตัณหาอย่าไปอยากให้ รูปฌานเป็นรูปฌปานไปตลอดเวลาอย่าไปอยากให้อรูปฌปานเป็นอรูปฌปานไปตลอดเวลามันจะสลับขึ้นสลับลงตามธรรมชาติของมันก็ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานขึ้นมากลายเป็นบรมบสุขขึ้นมาภายในใจ ใจที่ไม่เสพอะไรเลยนี่กับมีความสุขมากกว่าใจที่เสพกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแต่นี่เป็นความโง่ของเราเราไม่รู้กันว่าการที่เราไม่เสพอะไรเลยนี่กับมีความสุขกับการเสพเพราะสิ่งที่เราเสพนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดียวมันก็หมดไปพอมันหมดไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราไม่เสพอะไรเลยนี่ เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรเลยใจที่ไม่ทุกข์กับอะไรเลยนั่นเป็นใจที่มีที่เป็นความสุขที่แท้จริงใจที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่ไปเสพอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่ให้เสพนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือวิธีการปฏิบัติต้องปฏิบัติเพื่อกาจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ตามลำดับจนบริสุทธิ์เต็มร้อยพอใจบริสุทธิ์เต็มร้อยก็เรียกว่านิพานนิพบบานังปรมังสุขขังใจที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงใจที่ยังมีความทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะได้เสพรูป ได้เสพการได้เสพรูปประชานได้เสพอารูปอรูปประชานแต่มันจะต้องทุกข์กับการกับรูปประชานกับอารูปประชานเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันมีจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีเสื่อมมันเป็นนิจจังเมื่อมันเสื่อมมันก็จะเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันไม่เสื่อมได้นั่นเองนี่คือการมีปัญญา ต้องเห็นว่าไตภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขของไตภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากได้กามัตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาพอไม่มีความอยากเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในใจใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในไตยพบอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยาก ได้อะไรจากตตรภพนั่นเองไม่อยากได้กามาสุขไม่อยากได้สุขจากรูปฌานไม่อยากได้สุขจากอารูปฌานใจก็เลยออกจากไตรภพไปโดยปริยายกลายเป็นนิพพานไปนี่คือเรื่องของไตรภพที่ได้เอามาพูดให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้สังสารวัฏหรือวัตสงสารแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพ ตายพบก็คือกามาพบรูปพบอารูปพบผู้ที่มาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็คือผู้ที่ยังมีกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานั่นเองถ้าไม่ต้องการที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในไตายพบก็ต้องหยุดกามะตัณหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาจะหยุดได้ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนา นี่คือทางดาเนินสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนินมาแล้วและได้พบกับผลที่เลิศที่ประเสริฐแล้วคือพระนิพพานยึงได้นำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ให้ได้รู้เรื่องและได้ปฏิบัติตามต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ปะโสยะาสพิติโยวิวาจาตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนศีฤทสานิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง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 ทั้งหมดส7 7ร้อยเจ็ดสบเจ็ดคน YouTube สองร้อยสามสิบสองคนวิทยุออนไลน์สามสิบสองคนพูดและฟังบนเขาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบหกคนครับผมใครมีคำถามมีอะไรอยากจะถามอถามต่อคำถามจากคุณรสนะสมนุนไพร กราบเรียนถามพระอาจารย์เราอยู่ในสังคมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจทางกายวาจาจะตีตัวออกไม่พูดไม่ส่งสิงแม้ในที่ทํางานบางคนบอกเราคิดลบถามพระอาจารย์ว่าเมื่อทัศนคติไม่ตรงกันการเงียบเป็นการทําที่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับก็ มันก็มีสองวิธีในการที่เราจะปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบคือถ้าเราทำใจเฉยๆให้อยู่กับเหตุการณ์ได้ก็ดีที่สุดถ้าเราทำไม่ได้เราก็ควรจะปลีกตัวออกจากเหตุการณ์นั้นไปก่อนเพื่อไปทำใจให้เราสงบเพราะว่าถ้าถ้าเราต้องปลีกตัวอยู่เรื่อยๆต่อไปเราอาจจะไม่สามารถ ปิกก็ได้ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่เราปลีกไม่ได้ที่เราจะต้องทนอยู่กับเหตุการณ์นั้นถ้าเราไม่หัดทำใจให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นได้เราก็จะทุกข์เฉั้นการที่จะทำให้เราอยู่กับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบได้ก็คือเราต้องฝึกสมาธิบ่อยๆอาจนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจเราจะเบื่อเบกขาเบกขาก็ ka. จะทำให้ใจเราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่ถ้าเรายังไม่มีโอขาถ้าเราหลบได้ล้วก็หลบไปก่อนก็แล้วกันแต่ต้องรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถาวรเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ก็ดีกว่าไม่แก้อะไรเลยแต่ก็ต้องต้องพยายามฝึกหาวิธีที่ถาวรใช้วิธีที่ถาวรให้ได้ไม่เช่นนั้นเราก็ต้องหนีอยู่เรื่อย คำถามต่อไปจากคุณป๊อปชดช่วงกราบนมัสการพระอาจารย์การสวดมนต์หนึ่งจบเท่าอายุเกินอายุหรือจํานวนมากๆก็ตามจํานวนการสวดคือกุศลคือกุศโลบายให้เรามีสติสมาธิใช่หรือไม่คะใช่ยิ่งสวดมากก็จะได้สติมากได้สมาธิมากได้กุศลมากได้ความสุขมากนั่นเอง แต่ต้องสวดแบบไม่ใจไม่ลอยนะถ้าใจลอยสวดไปกี่จบก็ไม่ได้กุศลไม่ได้สติไม่ได้สมาธิต้องสวดแบบไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่กับบทสวดมนต์เพียงอย่างเดียวถึงจะได้ผลคำถานจากกุณชุ ก, กิตรับนมัสการสอบถามพระอาจารย์ครับว่าสิลงห้าถ้าเราทำผิดหนึ่งข้อ ที่เหลือสี่ข้อขาดลงไปด้วยไหมครับ อ, อ๋อไม่ขาดหรอกทำผิดข้อไหนก็ขาดข้อนั้นมันไม่เกี่ยวกับข้ออื่นคำถามจากคุณชุกฤตกราบในมัสการพระอาจารย์คนที่นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดภายหลังเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเลิกทาบุญตักบาตรเลิกเข้าวัดฟังธรรมเรียนถามครับว่า ข้อหนึ่งถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใหมครับก็การนับถือศาสนาอาจจะนับถือโดยที่ไม่ได้เข้าถึงแก่นของศาสนาถ้าถ้าไม่รู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่ามีคุณมีประโยชน์กับตนอย่างไรก็อาจจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นได้งั้นก็เป็นเรื่องของจะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ว่าได้เพราะว่า ศาสนาพุทธนี้สอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่เชื่อศาสนาพุทธก็สแสดงว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็มีมิจฉาทิฏฐิเราเห็นว่ามีคำสอนอย่างอื่นที่ดีกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าคนถามข้อที่สองหลังจากการตายจากโลกนี้ไป เส้นทางเขาจะไปทางไหนครับเพราะอยู่ที่เขาทาบุญหรือทบาปนะอยังอย่างน้อยเขาต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีมิจฉาทิฐิอยู่ถ้ายังมีความอยากหาความสุขจากกามก็จะไปเกิดในกามะ พ, พุถ้าหาความสุขจากรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภพแต่ยังอยากหาความสุขจากรูปฌานอยู่ก็ยังต้องไปเกิดในอรูปภพแต่ถ้าได้อยู่กับศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธก็จะสอนให้เราหยุดความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้จิตก็จะไปนิพพานแทนไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคำถามต่อไปจากคุณซอโอ๋กรบธรรมการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถามว่าปฏิบัติตัวแบบไหนถึงจะเป็นโสดาบันคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรา บรรลุโสดาบันแล้วขอบคุณพระอาจารย์เราต้องปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคำถามต่อไปจากยูทู e จากคุณนงลักษ์กราบนมัสการค่ะไม่ต้องการเศษการแต่คู่สมรสมีความต้องการข้าพเจ้าต้องการละขณะที่เป็นคารวาสก็จะมีการขัดใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ค่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ให้ความทุกข์มากวนจิตใจแบบนี้จะครองเรือนได้นานหรือไม่เจ้าคะถ้าเราไม่อยากจะเสพกามก็ยากที่จะครองเรือนกันได้นานเพราะคู่ที่คู่ครองของเราก็อยากจะเสพกามเขาถึงมีเราถ้าเราอยากจะมีคู่ครองเราก็ต้องเสพกามไม่งั้นเขาก็จะไม่อยู่กับเรา หมดแล้วอ่ะาเจอนมีคำถามตั้งบันไดเนี่ยสงไม้ก็โฟนไปหน่อยกลับเรียนพูดใกล้ๆปากกลับเรียนพระอาจารย์ครับดีเคยนั่งสมาธิอะครับก็นั่งแล้วความคิดมันมีตลอดอะครับมันคิดนู่นคิดนี่ตลอดจสตเราน้อยไปมีทางแก้นหมครับก็ไม่มีเพียงแต่ต้องสวดมนต์ไปหรือพูดโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดตอนต้นมันจะแข็งกัน ความคิดมันไหลมาทะลักมาเราก็ต้องใช้พุโทโธเล้การสวดมนต์ชะลอมันดูเบาทำให้มันเบาอาจจะไปห้ามมันทันทีทันใดไม่ได้เหมือนรถที่วิ่งเร็วนี้เหยียบเบกรกปั๊บจะให้มันหยุดทันทีไม่ได้มันก็ยังต้องวิ่งอยู่แต่มันจะชะลอลงไปเรื่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆถ้าเราคอยเหยียบเบรกไปเรื่อยๆะนั้นเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อน อย่าไปสนใจกับความคิดพยายามเกาะติดอยู่กับบทสวดมนต์จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์หรือจดจ่ออยู่กับพุทโธถ้าสวดแบบไม่ออกเสียงได้ยิ่งดีเ <Disc ourse> <irt? S 2> พราะความคิดมันก็ไม่ได้ออกเสียงใช่หมอ่านนั้นถ้าเราสวดแบบไม่ออกเสียงได้หรือพุทโธไปได้ก็ทําไปเพื่อที่จะชะลอความคิดต่างๆถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้ว อ, อยู่กับสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็หมดกําลังไป เหมือนรถที่เราไม่เหยียบคันเร่งเราเหยียบแต่เบรกเดี๋ยวความเร็วมันก็จะลดลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดไป อ, อต้องขยันพุโทโธต้องขยันสวดมนต์ไปก่อนอมหมดแล้วนะอ่ได้เชิญกราเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิเจ้าค่ะก็หลาย ได้ได้ความสงบระดับหนึ่งได้ลมหายใจเบาๆเจ้าค่ะแต่ว่าเราลมหายใจไม่ยอมหายหนูก็เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่หายงั้นหนูมาสู้สู้เจ็บทุกขเวทนาแทนหนูก็นั่งไปจนเจ็บแต่ว่าพอเจ็บแล้วแยกไม่ได้เจ้าค่ะว่าไม่เจ็บรู้ว่าอย่าบอกว่าอย่าเจ็บแต่ว่าทำไม่ได้เจ้าค่ะหรืออย่าไปทำข้ามขั้นเลยเวลานูนั่งดูลมก็ดูไปมันจะหายไม่หายอย่าไปอยาก ดูไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่หายก็ดูมันไปเรื่อยๆดูไปเราต้องการดูลมเพื่อให้ใจสงบไม่ได้ดูลมเพื่อให้ลมมันหายลมมันไม่หายหรือหายไม่เป็นไรขอให้ใจเราสางบอันเวลาดูลมนี่ก็ดูไปเท่านั้นเองดูเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวว่าตอนนี้กาลังหายใจเข้าหรือหายใจออกลม ลมหยาบหรือลมละเอียดลมสั้นหรือลมยาวให้รู้ไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยก็อย่าไปโลภเอาเอาเท่าที่ได้ไปก่อนอย่าไปข้ามไปหาเวทนาเวทนาไม่ต้องไปข้ามมนะันเดี๋ยวมันมาหาเราเองแล้วพอนั่งไปนานระดับหนึ่งยังมีลมอยู่หนูก็พุโทโธพุธโทโธหืูใช้พุโทโธไปเรื่อยๆแต่คราวนี้พอเจ็บมันมา แล้วหนูทํำยังไงดีจ๊ะก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บไงอย่าไปยุ่งกับความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายถ้าอยากให้มันหายมันยิ่งมันยิ่งเจ็บใหญ่ก็ใช่ก็ยังติดกับพุทโธต่อไปใช่ไห ถ้าพุทโธก็พุทโธถ้าดูลมก็ดูลมหนูใช้อย่างนั้นหนูใช้ทั้งสองอย่างหนูใช้พุทโธเจ้าค่ะอ่าเมื่อกี้พูดถึงลมไม่ใช่เลยอ๋อหนูใช้พุทโธเจ้าค่ะแล้วก็พอพุทโธไปสักพักนึงหนูกลับมาดูอ๋อช่วงนี้ดีแล้วลมเบาอ๋อไม่ได้หรอผิดแล้วต้องพุทโธต่อไปไม่ต้องให้ไปดูอะไรทั้งนั้นถ้าทิ้งพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าทิ้งพุทโธถ้าเจะนั่งนั่งภาวนาด้วยพุทโธต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องลมห เ, เรื่องเวทนาอะไรจะมาปรากอบให้รับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวถ้าออกจากพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวจะหมดสติเสียสติแล้วจะนั่งต่อไปไม่ได้เออค่ะอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวนะอย่าไปดูลมลมหรือว่าใจจะสงบก็ไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องสนใจมันสงบก็ปล่อยมันสงบไปถ้าเรายังพุทธโธได้ก็พุทธโธไป พุโทโธไปยันทั้งจิตถึงจุดที่มันสงบเต็มที่แล้วมันจะหยุดพุดโทโธเองมันจะรู้เองว่ามันเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งไปที่นี้มันก็ไม่ต้องพุโทโธทีนี้ทุกอย่างหายไปหมดเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะอ่ส่งให้คุณลงกันอ่นานๆจะม า, มาถาม่ถิติวันนี้คงมีคําถามเด็ดน้องครับผ่ออาจานคือผมอฝึกสมาธินะครับอ่า ในขณะที่กิขึ้ามาที่ไม่คิดแล้วก็เพียงแต่รู้ลมหายใจพระอาจารย์พ อ, อได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถอนมาแล้วก็ผมก็นั่งอีกคือตัวคิดไม่ไม่ได้คิดแล้วก็รู้แต่ลมหายใจดีดเดทำไงเดไอตองนี้ผมอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า อ, อยู่ในขั้นฌาญหรือเปล่าครับอย่าไปสนใจถ้า ถ้าไปสนใจก็เริ่มคิดนะอย่าไปคิดคือไอตัวนี้ผมไม่ได้สนใจแต่อไอไอคือเมื่อกี้ผมฟังพระอาจารย์ว่าอ่าผมจะถามข้อที่สองต่อคือหมายความว่ า, วารูปอาจารย์กับรูปอาจารย์เนี่ยคือผมจะตัดไตรลักษณ์ด้วยการปล่อยวางเนี่ยในในช่วงไหนช่วงที่นั่งสมาธิหรือว่าไม่นั่งสมาธิอ๋อไม่แล้ว คืจะตัดก็ต่อเมื่อเราตัดอย่างอื่นไปได้ก่อนตอนต้นเราเราต้องตัดภรรยาตัดความมาสุขก่อนตัดความสุขทางร่างกายตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายให้ได้ก่อนพอเมื่อไม่มีความสุขจากร่างกายมันก็จะมายึดติดกับความสุขทางรูปฌานฮรูปฌานพอเรารู้ว่ามันติดเราก็ต้องหยากไปหยากแต่เรายังเสพเรายังนั่งสมาธิต่อได้ เพียงแต่ว่าเวลานั่งมันจะสงบไม่สงบเราอย่าไปทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเรายังอยากให้มันสง บ, บนี่คือความหมายของการปฏิบัติไม่ได้ให้ทิ้งสมาธิไม่ได้ทิ้งฌานเพียงแต่ว่าอย่าไปอยากกับมันครัถ้ามันเกิดก็เกิดถ้ามันดับก็ดับให้รู้ตามความเป็นจริงของมันทีนี้าจากาจิตของผมเนี่ยหลังจากฝึกสมาธิให้เกิดปัญญา และสติเนี่ยผมก็เอาลงมาเปิดทีวีดูว่าอ่าตาหรือหูจมูกลินกายใจเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันมีความยินดีหรือไม่ยินดีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หลงเหลือบ้างพระอาจารย์ประมาณห้าสิบหรือหกสิบก็ยังตัดไม่หมดไงก็ต้องต้องตัดต้องพิจารณาใจนักให้เห็นว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขครับตัวเนี้ยผมจะขอ คำที่แน่พระอาจารย์ให้ให้ให้มองถึงให้ผมไปฝึกมองไตรักให้ชัดเจนเนี่ยเ็าบอกว่าดูหนังปป๊บเดียวมันก็จบสุขเดียวเดียวพอหนังจบแล้วความสุข ก, ก็หายไปความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอยากจะดูใหม่มันก็จะพาให้เราติดอยู่เรื่อยเหมือนติดบุหรี่ติดเหล้าติดอะไรเนี่ยมันสุขเดียวเดียวพอผ่านไปมันก็หายไปเหลือแต่ความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยว ทำให้เกิดอยากจะเสพขึ้นมาใหม่คราัอย่าไปเสพันเลยเพราะมันอยากจะเสพไปเข้าฌานดีกว่าเข้าสมาธินี่ครับสาธุคือสรุปแล้วว่าผมด้วยการที่อ่ามองมองมองว่าตรงนี้มันไม่เที่ยงว่าตัวตัวนี้มันมันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็เกิดทุกข์เพราะว่าถ้าจิตลรไปอยากแล้วเกิดทุกขันทีใช่ก็ไป หาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าครับแล้วรูปอาชาย์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับต่อไปพอเราทิง้งพอเราทิง้งไอ้ไอ้การมาสุขได้เราก็จะมาติดรูปประชานพอติดรูปปัจานเราก็ต้องรู้ว่าบางทีมันก็สงบบางทีก็ไม่สงบ ก, ก็อย่าไปทุกข์กับมันเวลามันไม่สงบไม่สงกบก็รู้ว่าไม่สงบครับถ้าทำให้มันสงบได้ก็ทำไปถ้าทาไม่ได้ก็อยู่กับความไม่สงบไปก่อนคือ เราก็ไม่มีจิตวิญญาณที่ไปปรับปรุงแต่งอารมณ์ว่ามันคือจะความอยากพองเรามันอยากจะให้มันสงบตลอด24ครับแต่ธรรมชาติของชามันไม่สงบตลอด24ครับต้องรู้ทันครับคือถ้ามันมันมันมันผอนมามันไม่สงบปั๊บเนี่ยเราเพียงใดนั่งสัก5นาทีแล้วมันเข้าไปสู่ที่เดิมอีกไอถือว่าแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกไหมครับคือให้มัน ให้มันไม่ทุกกับเรากันทุกข์ส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากงั้นเวลามันทุกข์เรามาถามว่าเราตอยากอะไรอยากให้มันสงบหรือเปล่าถ้าอยากให้มันสงบมันไม่สงบก็อย่าพิ่งไปอยากก็อยู่กับความไม่สงบไปแล้ อ, อยู่แล้วก็ทำให้มันสงบด้วยการดูพุโทโธพุทโธของเราต่อไปมันสงบไม่สงบก็อย่าไปอยากสงบก็ให้มันสงบถ้ามันไม่สงบก็ก็รับรู้ว่าไม่สงบไป ไห้สักแต่ว่ารู้ไปคือใช้ใช้ตัวรู้ว่าเราจะนั่งต่ออ่านั่นอ่ะมันนั่งเพราะอ่าไม่ใช่ความอยากแล้วเราก็นั่งต่อถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์นั่งไปพ่อรู้ว่าถ้านั่งมันก็อาจจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่นั่งถ้าไม่นั่งมันไม่สงบเลยครับสาทุผมลกวนพาอาจารย์แค่นี้ครับแต่ถ้านั่งแล้วมันไม่สงบก็อย่าไปทุกข์กับมันครับก็รู้ว่า มันยังไม่ถึงเวลาของมันมนที่จะสง บ, บก็นั่งต่อไปเลยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมใหม่ครับพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมที่จะชี้แนะชี้นำผมไม่มีละก็สติกับปัญญาสองตัวเนี่ยที่จะเป็นตัวที่เราจะต้องเป็นตัวนำเป็นหัวหอกของการปฏิบัติครับต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาอยู่เรื่อยๆครับเข้าใจนะครับสาธุ มีคาถามจากคุณแก้วพัชรพรกาบเรียนถามค่ะฝึกภาวนามาแบบยุบหนอพองหนอหน้าท้องคิดก็คิดหนอเสียใจก็เสียใจหนอที่ลิ้นปีแบบสติปัญฐาสี่ตอนนี้กำลังเริ่มภาวนาพุทโธดูลมแต่มันสลับกันไปหมดเริ่มพองยุบและไปพุทโธดูลลมเข้าออกสลับกันไปหมดเลยค่ะ คือจะเริ่มภาวนาพุโทโธแบบไหนให้ถูกต้องคะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเอาทุกอย่างมารวมมิตรนะต้องเลือกแยกเอาพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปยุบหนอพองหนอให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับลมอย่าไปสนใจกับยุบหนาะพองหนออย่าไปสนใจกับอารมณ์อะไรต่างๆท่านั้นไม่ต้องไปอารมณ์ไม่ดีหนออารมณ์ดีหนอไม่ใช่วิธีทำต้องเอาเอาอย่างเดียว ขี่มา้าขี่ตัวเดียวม้าแข็งเวลาเขาแข็งกันเขาไม่เปลี่ยนมาย้าเวลาที่กําลังวิ่งกันต้องเอาขี่ตัวเดียวให้มันไปถึงหลักใจนั่งสมาธิใจจะสงบต้องให้มันสงบอยู่กับกรรมาฐานอันเดียวถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธอันเดียวถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตอนต้นได้เช่นตอนต้นเริ่มพุโทโธมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันคิดฟุ้งซ่านก็ให้มันสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ แต่ไปจนกว่ามันจะหายฟุ้งแล้วก็ค่อยกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อแต่พอพุโทโธแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนพุโทโธไปจนกว่ามันจะสงบคำถานจากคุณชุกิกราบในมัสการพระอาจารย์คนที่นั่งสมาธิแล้วง่วงนอนสับะงกซ้ายทีขวาทีแสดงว่ามีโมหะเยอะใช่ไหมครับไม่ใช่ละไม่มีสติคนกำลังจะหมดสติ กำลังกำจะหลับก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างสติด้วยการเดินจงกรมไปก่อนเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปเด้อซ้ายขวาซ้ายขวาไปดูเท้าไปเดินไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเตือนมันจะหายง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่คําถามจากคุณกนิตาหนูอยากได้บุญที่ถูกต้องค่ะก็มีสามระดับบุญที่จะเกิดจากการทําทาน บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็เลือกทำเอาได้ตามตามความพอใจของเราเราทำบุญอันไหนได้ก็ทำไปหมดแล้วเลยคนธอนคันถานจะคุณป๊อปกราบพระอาจารย์คาว่าจะบรรลุธรรมได้อย่างไรคะถ้าเราไม่ละตัวเองออกบวช ก็ต้องปฏิบัติเหป็นนักบวชนะก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชมันอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องไม่ใช่ศีลของคารวะต้องเป็นศีลของนักบวชศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดภาวนาก็ต้องภาวนาแบบนักบวชคือทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่วันละครึ่งชั่วโมงปัญญาก็ต้องเจริญอย่างต่อเนื่อง ถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้หมดแล้วยังมีค่ะอ่าถามไปเรืร่อยๆมีคําถามจากคุณนันทิดาขอเรียนถามว่าถ้าเราใส่บาตรด้วยสิ่งใดเมื่อเราเสียชีวิตเราจะได้กินอาหารเหล่านั้นใช่ไหมคะถ้าตามกฎแห่งกรรมข้าก็ว่าไว้อย่างนั้นให้อะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเราต่อไปทําอะไรทําทำร้ายผู้่ก็จะถูกเขาทาร้ายเรา เขาจะมาทําร้ายเราให้ความสุขกับเขาเขาก็จะมาให้ความสุขกับเราคําถามจากคุณศักชยัยผมชอบใส่บาตรและให้ทานเป็นอาหารน้ําดื่มกับคนตาบอดทุกวันมากกว่าทําบุญสร้างถาวรวัตถุของวัดอย่างนี้ผมมีความเป็น ความคิดเป็นมิจฉาทิฐิหรือเปล่าครับขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์ไม่หรอกก็เป็นความชอบของเราแต่การทำบุญทำทานถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็ต้องดูว่าความจำเป็นอยู่ตรงไหนขาดแคลนตรงไหนเราก็ไปทำตรงนั้นส่วนไหนที่มันไม่ขาดแคลนไม่จำเป็นก็ต้องไม่ไม่ต้องไปทำถ้าขาดกุติก็ต้องไปช่วยกันสร้างกุติถ้าขาดอาหารก็ต้องไปหาอาหารมาเลี้ยงกันอะไรทั้งนองนี้ ให้ดูความจำเป็นความเดือดร้อนอยู่ที่ตรงไหนก็ไปทำที่ตรงนั้นคำถามจากคุณแก้วพัชรพรการเจริญปัญป ญ, ญาจ ะ, จะเจริญอย่างไรเจ้าคะก็คิดอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงต้องมีเกิดแล้วต้องมีดับเกิดแล้วก็ต้องมีดับเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้น ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปติดอย่าไปยึดติดอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้คันถามจากคุณราเชนการบริกรรมพุทโธพุทโธคือการรู้แค่คําบริกรรมพุทโธใช่หรือไม่ครับไม่ต้องมาสนใจลมหายใจใช่หรือไม่ครับถูกต้องให้รู้กับคําบริกรรมอย่างเดียวอย่าให้มันหายไปให้มันบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าไปหยุด ถึงแม้มีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบาิกรรมไปเรื่อยๆหมดแล้วหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิพพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด